อิชาติตัสสะะะวตอรหะตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานตูปัฏายะเตวีสะสังวัชุตระปัญจสตติการิทุเวสังวัชนะสหานิอจิกันตานิปจุปัญญกรวเสนุิกายมสา สวิมังทินังวาดวเสนปันนโสรวาโรโหติเอวังตะกะปะคุยตัวปริมิพานาศาสนายูกาละขณะศาสัาละเขตัพพานีพุทธุพานนามาจันดุพระพุทธศาสนายู่การจำเดินแต่วันปริมิพาน แห่งองค์สมเด็จราชพิจิต ม, มานารหันต์สดยมาสัมพุทธเจ้าวนั้นบัรนี้ล่วงแล้วดี๋สองพันห้ารอยยี่สิบสามพันสายคราตยุมบันณาสมัยพระศรกาญจนมาศเมื่อเพียงที่ยี่สิบสองวันสาววันนี้เป็นปัจจุมบันวาน พระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่วันปริมิพานขององค์สมเด็จพระผู้มีเพระภาชเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธบริษัทธ์เจือพึงกำหนดนับได้ด้วยพระกาลชะนีนโมตัสสะภะควะอรหะโตสมมาสัมพุทธันนโมตัสสะ ภะคะวะโตอรห t โตสมมาสมพุทธสสะนบูตสสะภะคะวะโตอรหะโตสมมาสมพุทธสสะตาเลนะธรรมะเจริญังเอตัมมังคารมุตตะมันตีณโอกาสปัจจุบอาตมาฝากเจริญแดงพระสัทธรรมเทศนา ในธรรมมีคาถาเพื่อเป็นเครื่องสดสรงองค์ข้าทาบรมีบิมดาธ น, นิสราธานะบนดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็งบุศลประจำปากคือวันคืึองสิบห้าคำเดือนสิบสองซึ่งตรงกับวันที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยี่สิบสามเป็นวันเสาร์ ความจริงวันนี้เป็นวันพิงกลางเดือนสองที่มันไดาท่านพุทธบรษัทั้งหลายมีความเข้าใจว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะจัดว่าเป็นวันลอยกระทงแต่ว่าวิธีการลอยกระทงนี้จะมีประเพณีมาตั้งแต่สมัยเมื่อไรอาตมาก็ไม่ทราบ มาสร้างประวัติตามของประเทศไทยก็มีว่าเริ่มขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้ารามกําแหงมหาราชในสมัยสุโขทัยเพราะว่าสมัยนั้นถือว่าเป็นสมัยของนักบุญหรือสมัยของจอมปรลัดเยนี้ว่าพิธีกรรมการบัพปิญกุศนต่างๆตามการตามรัชสมัยเกิดจากสมัยนั้นมากทั้งนี้ก็เพราะว่าเห็นยัมีพระผู้ทรงคุณธรรมวิเศษมาก วันหนึ่งได้มีโอกาสไปเมืองสุขโขทยัย <c oughs> ไปพบวัดวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดร้างแต่เวลานี้ก็เริ่มจะไม่ร้างเพราะมีพระเข้าไปอยู่อาศัยสร้างความเจริญเริ่มขึ้นในสถานที่นี้ตามประวัติเดิมเมื่อเป็นที่ ร, าา ร, ร, า ร, ร้างเขานอสีไตรภูมิพระร่วงคือว่าคำเมืเ่อไตรภูมิพระร่วงนี้พระร่วงไม่ได้ร่างขึ้นเป็นเรื่องของพระที่มีการไปชุมกันแล้วก็ร่างขึ้น ตรงความว่าในสถานที่นั้นเป็นที่ประชมของบรรดาพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมวิเศษเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสหรืความป ร, ระสงค์ของพระราชาในสมัยนั้นจึงวางกำหนดการการวิธีบำเพ็ญบุญตนไว้จัดว่าเป็นอนุสรณ์ที่มีความสนคัญมาก เออหนึ่งกำหนดการบำเพ็งกองการกุศลที่มีความสาคัญด้วยก็นหนึ่งมาพระบูชากลางเป็นสาม <c oughs> เป็นการกรําหนดว่าบรรดาประชาชนหลายที่มีความนับภีพระพุทธศาสนาควรจะบูชาพระัธนไทรแต่ตตปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเพราะวันเป็นบันแสดงโอวาทปาดิโมก โอวาทจควดิโม่ที่มีความสำคัญมากเพราะว่าในตอนต้นที่องค์สมเด็จพระภูมิรัต้าเจ้าทร <c oughs> งบรรลุอวิเศษส ม, มาสัมโพธิญาณแล้วองค์สมเด็จเข้าไปที่แก้วยังไม่วางด้าขายพระ่ศาสนาไว้เมื่อบรรดาท่านบุญใดฟังว่าธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนา อย่าน้อยเป็นรบโซดาบันขึ้นไปองค์สมเด็จเจจอมไตรให้บวชและส่งไปประกาศท่อศาสนาทันทีภายหลังมื่อมันดาพระสงฆ์ในพทธศาสนานี้มีปรกากฏว่าเป็นพระอรหันต์ล้วนแล้วก็เป็นพระทิบวที่องค์สมเด็จเาสมาส ม, ส ม, สมาสมพริเจ้าโดยตรงที่เรียกันว่าเอฮิทิุตุสมมา <c oughs> มีปริมาณทั้งหมดประมาณ 2,500 รูปวันนั้นเป็นวันกลางเดือนสามต่างคนต่างก็มาเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าเห็นพระรหันท์ท่านหลายที่ส่งไปประกาศพระศาสนามาประชุมพร้อมกันโดยไม่มีการนัดหมายจันนโอง่งสมเด็จพระจอมเทย์พระมศิณาจารย์ที่สั่งประชุมสงฆ์ทั้งหมดแสดงโอวาทปาดิโมก <c oughs> มันกลางเดือนสามที่เรียกถึงว่าจารโลงกัสันนิบาตทำใหาจารโรงก็แปลว่าสี่เพราะว่าวันนั้นเป็นวันมีองคศีครบพร้อมกันคืนหนึ่งบรรดาพระอาณาหารทั้งหลายทั้งหมดเป็นอรณาหารทุกองเล่าราการที่สองเป็นพระอาหารที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้ใราการที่สามท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาประชุมกันโดยไม่มีการนัดหมาย <c oughs> รเรียการที่สี่องค์สมเด็จเจ้จอมไตรบริรร ส, สาาุทธิสดาแสดงโอวาทปาดิมโมกจีงเรียกว่าจารรงกสนิบตัตรนีว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกระหนาจังไม่ได้วางแผนเหตุการที่จะประกาศด้วศาสนาโดยตรงแต่ที่พระองค์ไม่ทําอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระอริยเจ้าทั้งหมด การเป็นพระอริยเจากก้าตั้งแต่ตั้โสดาบันขึ้นไปไม่มีการพูดผิดพระพุทธพจน์บทบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหลายเหล่านั้นก็มีความเข้าใจในรศาสนาดีถ้าจะถามว่ายังไม่ได้เรียนมีความเข้าใจยังไงเรื่องของศาสนานี้ที่มีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจอยู่ที่กําลังใจของบุคคลคนนั้น ถ้าบุคคลผู้นั้นยังเป็นปุตุชนผู้หนาแน่นไปได้กิเลสก็ดีหรือว่าเป็นกริยาในชนเป็นผู้ทรงทิ่งชันโลภีกดีพวกนี้ยังถือว่าไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาจริงยังมีการผิดพลาดอยู่มากทล้งว่าบรรดาบระสง์ทั้งหลายเท่านั้นหรือท่านผู้ใดก็ดีศึกษาในพระพุทธศาสนานี้ได้ผลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพวกนี้มีความเข้าใจไม่ผิด และว่าการเข้าใจไม่ผิดนี่จะรู้จริงรู้แก้งแทนตนลอดเป็นขั้นถึงมรรคผลทุกอย่างและข้อปีย่อยทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้ <c oughs> และว่าความเข้าใจของท่านผู้นั้นย่อมตรงตามจุดประสงค์ขององค์สม <c oughs> เด็จตุสัมมาสัมพทุทธเจ้ามีผลกับผู้รับฟัง ดังนั้นในเวลาตอนต้นสมเด็จพระผู้มีพระภากยเจ้าจึงไม่ได้ทรงประกาศกิดศาสนาหลักการการสอนเพราะว่าท่านหลายเหล่านั้นเป็นพระอรเยชจักแต่ในเมื่อท่านหลายเหล่านั้นมาไปชุมพร้อมกันเป็นการตรงกับประเพณีของพระพุทธศาสนาหมายความว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่อุ บ, บัติขึ้นมาจะต้องมีปฏิกริยาอย่างนี้เสมอ เมื่อสอนคนเป็นระโสดาบันขึ้นไปก็ส่งไปประกาศในศาสนาที่เวลากลางเดินสามพันดาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมาประชุมกันโดยไม่มีการนัดหมายซึ่งกันและกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสมเด็จระมหามุญนีทุกองค์ก็ส่งประกาศโอวาทปาดิโมกเป็นองค์ที่สี่เพราะเป็นอาการที่สี่ฉะนั้นวันนั้นองค์สมเด็จสมมหาบุญนีจึงได้แสดงโอวาทปาดิโมก โอว า, าทปาดิโมตุจะว่าโดยใจความเนือยแท้จริ ง, รงๆก็มีอยู่หลายสิบข้อแต่ข้อที่มีความสำคัญยกขึ้นมาเป็นเรื่องต้นคุมความทั้งหมดก็ได้แต่หนึ่งสัพพะปาะสะระนังซึ่งแ <c oughs> ปลเป็นใจความว่าขอท่านหลายจงแนะนำประชาชนทั้งหมดอย่าทำความชั่วทุกอย่างสองกุฏตระสูปสมทา จงแนะนําให้เขาทำแต่ความดีทุกประเภทสามสจิตประโยชน์ น, นงังเมื่อทําเมื่อเว้นจากความชั่วสร้างความดีและข้อที่สามนี้จงแนะนําให้เขาทําจิตให้ผองสใยจากสังขเกเลสแล้วอ ง, งสมเด็จพระบรมโลกระเช้ากระทรวงจตว่าเอตังพุทธานาสาฉันนังเอื้อมแปลเป็นใจความว่าพระพุทธเจ้าทุกองคสอนอย่างนี้เหมือนกันหมด S 1> <S 1> เป็นอนุนว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมนูญคำว่าศาสนาขึ้นไว้เป็นแม่บทให้ on, เราลสด็พระบรมนสุโคตรทรงสอนแล้วถึงเวลาบรรดาประสงค์ทัานหลายเหล่านั้นก็ต่างคนต่างก็พาการไปประกาศพระศาสนาตามแนวของพระพุทธเจ้าตรงกันการจริงท่านสอนไว้ก่อ น, น้นก็ดีถูกแต่เหลักการอาจจะต่างกันไปบ้างแต่ลงท้ายเพื่อทําให้บุคคลพ้นจากกิเลส นี่เหตุเท่านี้การให้ทําบุญวันมาค่าบูชาก็เรื่องมาจากสมัยพระเจ้ารามคำแหงมหาราชซึ่งพระสงฆ์ท่างหลายล้นนั้นเข้าใจว่าเป็นพระอรีย์เช่าประชุมกันวางกฎขวาจัดว่าเป็นอนุสติคิดว่ากลางเดือนสามเราจะต้องต้องทำบุญเปนวันสําคัญนอกจากนั้นกวางกฎเกณฑการทําบุญวันถุตือวันสิ้นปีเก่าวันช่วงกลางวันสิ้นแหวนวันสิ้นปีใหม่ หลังจากนั้นก็วางกฎอีกว่าวันยีสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อเป็นวันพิสู ต, รตรน์ประตูและนิพพานพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาตั้งใจไว้ว่าวันนั้นเราจะทําบุญเป็นกรณีพิเศษหลังจากนั้นก็กําหนดวันข้าววันสาเป็นวันทําบุญวันศาสเป็นวันทําบุญเพื่อผี แต่ความจริงการทำบุญทุกวันผีมีสิทธิ์รับโมทนาแต่ท่านก็ตั้งเกณฑ์และเพื่อเป็นเครื่องประจักษ์ประจำใจคนว่าวันนั้นน่ผีจะมาโมทนาส่วนกุศลให้ถือว่าเป็นการสแสดงผลมุตุตายจิตเทวคตันยู่กะตะเวทีให้เป็นบุาคคลารีของผีผู้ตายให้บรรดาประชาชนตั้งใจไว้หลังจากนั้นก็บอกว่าควรจะทำบุญวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันทั้งัรรษ และท่านสุดท้ายนั้นท่านกาหนดว่าวันวันเพ็ญเดือนที่สองขึ้นกลางเดือนที่สองอย่างวันนี้เป็นพ่ออันพ่อจนันเต็มดวง <c oughs> น้ําขึ้นเต็มที่น้ําทะเลนหล น, นขึ้นมาน้ําฝ่าไหลลงไปไม่ไหวน้ำข้อเจียงนองควรที่เป็นการบูชาพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นในการลอยกระทงนี่เป็นว่าพระสมัยนั้นท่านมีความฉลาด ก็ต้องประกอบกับพระเจ้ารานกำแหงมหาราชที่มีความฉลาดเป็นสำคัญเพราะว่าการกระทําอย่างนี้นั้นกําหนดให้บุคคลบำเพ็ญกุศลแต่ละขั้นและขั้นนี่ว่าวันอื่นน่าจะไม่ว่างไม่เป็นไรตั้งใจว่าจ ะ, ะบำเพ็ญกุศลในวันนั้นอย่างสมมุติว่าการเรินเลยการเดียนรูไปแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าวันมาคบูชาคือกลางเดือนสาม เป็นวันสําคัญของพุทธศาสนาเราก็ตั้งท่าตั้งกําลังใจว่าจะทําบุญประเภทใดวันจุดวันสุกรานก็ตั้งใจว่าเราจะทําบุญต่อไปก็เป็นวันไม่มีสายขบูชาเราจะทําบุญวันเข้าบรันาวันศาสป็นออกวันสาแล้วันลอยกระทงเราจะทําบุญถ้าจิตไม่คิดเป็นขั้นขั้นไว้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงเรียกว่าอนุสติ อนุสติคือเราตามนึกถึงในได้ของความดีคิดว่าวันมาคะนี้เป็นวันโอวาทปาฏิโมกเราจะไปทําบุญถวายทานพระด้วยเราจะฟังเทศด้วยเราจะรักษาศีลด้วยอันนี้ก็จัดว่าเป็นพุทธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจา้าตั้งใจฟังเทศเป็นธรรมานุสติตั้งใจถวายทาจนจากเราสง์เป็นสังขานุสติและก็เจารานุสติ อนุปัตติทั้งสามประการถ้าเรานึกไว้ว่าจะทำต่มันยังไม่ได้ทำตายไปซะก่อนผนบุญนี้จะได้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะจิตเป็นฌานอนุปัตติทั้งสี่ประการ <c oughs> เรื่องความวิพลายสมัยนั้นท่านมีความฉันหลัดดึงกำลังใจขมันดาธรรพุทธบริษัทให้ตั้งอยู่ในสุสนัน ต, ตามีองค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าจิตเตสังคินิเทุตติคว า, ามต่างขา แม้ก่อนที่จะตายให้กํากลังใจพวกเราเศร้าหมองวุ่นวายในเรื่องการอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแมแ้จะทําความดีมาในกายก่อนเพียงใดก็ตามทีถ้าใจเศร้าหมองก่อนจะสิ้นใจตายนี้ก็ไปอาบายอยู่บุ่มจิตเตลสังกิเทศสุคติปวารีกังขาที่กล่าวว่าจะาาก่อนจะตายให้กําลังใจเศร้าหมองกำลังใจผ่อ ง, งใส คือจะทำความชั่วมาในการใดก็ตามตีแต่ว่ลาที่จะตายนี้จิตน้องเป็นได้ของโอษนสำเน็จทระทศพตรงดัดว่าคนนั้นไปโชว์สุขคติก่อนอย่างสุขติกิตะเทพบุตเป็นต้นแต่เรื่องนี้จะไม่นำมาเล่าให้ฟังประเทศมาหลายครั้งแล้วมีหวังว่าการให้บรรดาเจ้าพุทธบริษัทมีความเคารพใปองสำเน็จทวาปทีแก่ และวพระเจ้ารางกําแหงทรงวางรากฐานอารัตนาพระที่มีความสามารถในสมัยนั้นวางรากฐานในกฎเกณฑ์การบำเพ็ญกุศลไว้ถือว่าเป็นความดีของพระองค์พวกเราก็ควรน้อมใจเคารพ็นการได้ความดีของท่านห <c oughs> ลังจากนั้ น, น, นริะยะใกล้เคียงนี้ขึ้นไม่นานนะ ก, ก็ปรากฏว่ามีคนบัญญัติว่าควรจะทำบุญวันสึก วันไหนเป็นวันเกิดของเราแล้วตั้งใจว่าวันนั้นเราจะทําบุญแล้วได้ยิบมาต่อมาก็าคนคิดว่าไอ้วันตายของบุคคลก็มี ค, ค, วงงความสําคัญก็ควรจะทําบุญไว้ด้วยรวมความว่าเกณฑ์ที่เราจะทําบุญไว้มีหลายเรื่อการด้วยกันเป็นระยะระยะไม่ใกล้นักไม่ไกลนัก <c oughs> ถ้าจิตใจก็มันดาทางพุทธวิสัชภผ่านจากวันนี้ไปแล้วก็คิดว่าวันมาฆะเราจะทําบุญตั้งใจไว้เลย คนจามาถฆะก็คิดว่าวันศุกร์เราจะทําบุญพราะจะวันศุกร์ก็คิดว่าเราวันส่งกรางเราจะทำบุญวันวันศัสขะเราจะทำบุญวันเข้าเปสาวันสาดเป็นออกเปสาเราจะทําบุญสร้างกําลังใจเป็นทุนคิดไปเสเมอเสมอทั้งวันนั้นว่าเราจะทำอะไรบ้างถ้าคิดไว้อย่างนี้ถ้าวันเอิญจะตายในขณะใดก็ตามทีสิ่งที่เราคิดว่าจะทำบุญเราบุญกุศล แต่ตนยังไม่ทํามันก็มีผลเหมือนกับสาธกีเทียบกีดาตั้งใจจะบูชาสถพพุคือกระดูกพระอรหันต์นี้ก็ไาาามา่วไว้เริ่มต้นไหวจะไปไม่ทันจะไปถูกปูนนางยักษเสนีแปลวิวปิดตายอาศัยที่กําลังใจของเธอจะบูชาพระธนตรัยมีพระรอราหันต์เป็นตน้นเมื่อตายจากานคนวามเบ่งผลพระวิวิดแทนที่จะลงนรก แจะไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ช่านดาวบดิงสติวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่และก็มีนางฟ้าที่เป็นบริวารประมาณเป็นคนเมื่อระมดายทาพระเถรสาสนิกชนการกำหนดการบำเพ็ญกุศลที่พระเจ้ารางกําแหงสนณวุรีห้พระทำถือว่าเป็นความดีอย่างนี้แต่ว่าสําหรับวันนี้เป็นวันลอยกระทง ความจริงเรื่องการลอยกระทงบรรดาท่านผู้บริษัทก็ทราบกันมามากแต่วันนี้ไปถึงวันลอยกระทงก็พูดกันอีก <c oughs> พูดกันใหม่พูดครบหรือไม่ครบก็ไม่รู้ต่อเติ้ลตั้งมันได้เวลาเท่าไรนิดเดียวเท่าไรจะพูดเท่านั้น <c oughs> เรื่องความสําคัญในการลอยกระทงเดิมทีนะมีอย่างนี้ เมื่อสมเด็จพระินนสีประมหากษัตริยส์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมพุทธญาณได้เจ็ดปีวันนั้นก็ค่ำนั้นก็มีฤาษีท่านหนึ่งมีนามาฉัพพันธฤาษีอยู่ที่เมืองบาันทปะปนนครให้เมืองพาลนทปะเป น, น, น, ปะนี่ยมันอยู่ที่สระบุรีเ ว, ล, วลานั้นเมืองพลันทปะที่ท่านอยู่นี้มันใกล้กับชายทะเล เรือน้ำมันเป็นทะเลเข้ามาใกล้เมืองมันอยู่ไม่ไกลเข้าเหมือนอยู่แค่ใกล้ๆท่กาก็แล้วกันในตอนนั้นน้องชายของท่านชพปนฤศีเป็นพ่อค้าสำเผ่าไปค้าขายระหว่างประเทศปริเมณปัันธปะกับประเทศอินเดียสมัยนั้นเขาก็มาดีอินเดียไปท่ า, ามืเมืองพาราเนสีก็ทราบว่าเวลานี้สมเด็จตระมาหาหมณีสมบัติทั้งหล้วในโลกมีพระอรหันมาก เมื่อกลับมาก็มาบอกกับพี่ชายว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าทรงตายเคลแลในโลกท่านชาปนริงศรีถ้าไม่มีอภิญยาชมาบัติเมื่อฟังข่าวว่าองค์สมเด็จพระทรงเสด็จโศกผ้าทรงบัดเคลแลในโลกก็ดีใจได้การจะเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรกลากเมืองพะรันปะจำไม่ว่าเมืองสระบุรี <c oughs> จากนี่ไปเดือนไปคุเดินไปพาราณาสีก็น่ากลัวต้องไหลแต่คือเกิดมาแก่แล้วก็ตายตายแล้วก็แก่มาคขาไม่ถึงท่านก็ถือว่าโตแล้วก็เลยเรียนรักจึงได้จุดทูไว่าในกลางแจ้งอรัตนาบรมีพระองค์ทรเด็ดตัวทรงสวัสดิ์สภาพให้ทรงโปรดเป็นนั้นว่าพระผู้ไเจ้าทรงทราบจึงได้ทรงเสด็จมาแต่พระองค์เดียว มาโปรดฉับพนเรืองสีเทศส่งสั่งสอนส่งเคาะตามส่งฝนในที่สุดได้ท่านเได้สมเด็จอนาตผลหลังจากนั้นองค์สมเด็จปทศผลก็จะทรงสเด็จกลับท่านฉับพนเรืองสีก็บอกว่าการที่องค์สมเด็จสมหันต์มณีจะสมเด็จกลับแล้การจะมานี่พันนานรั้งผอมเอลาไกลอยากจะได้สัญญักษพระองค์สมเด็จเคยจอมตรายบริวรสัจสนดาไว้บูชา ดังนองค์สมเด็จพระบรมชาสดาจึงได้แสดงรอยพระบาทเกียบพระบาทลงไปในท่านหินในแผ่นหินในภูเขาปรากฏเป็นรอยพระบาทปรากฏก็เดินมาและวองค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ส่งเสด็จกลับหลังจากนั้นมองค์สมเด็จพระพูมีพระภาพระเจ้าเสด็จกลับแล้วสมเด็จพระราธีแก้วก็ทรงโปรดพยายามนาคในบาดาล องสมเด็จพระจิตตมานจะกลับเขาก็ขอรอยพระบาทเป็เครื huh. said, ่องบูชาสมเด็จพระรามศักดิสันดาห์ฉะนั้นแสดงรอยพระบาทไว้ที่แม่น้ำมโนธานะยะมโนธาณตีรอยนี้อยู่ในแม่น้ำสหรับินาสมบัติปรานมัสการเพราะว่าอย่างนั้นนะนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านแล้นั้นเวลาที่บางคลานเดือิบสองเขาเยี่ยมพากันว่าวันนี้น้ำมาก ครจะบูชาบลอยพุ่มบ่ายก็องคสมเด็จก็ปูมีพระพาตเจ้าซึ่งอยู่ในน้ําโดยโบราณท่านเคยสอนมาตั้งมาอย่งเป็นเด็กกล่าวคําถวายดอกไม้ทุกเพียงในใจลอยกระท ง, งเขาก็มาโทษว่าเคยถ่ายอุจาระปัสสาวะนแถมตดเลยนะขี่รถตดใต้น้ำถวายนั้นแต่ขี่รถตดบนน้ําขาไม่เป็นไรเราเปิท่านสอนมาคือข้าพระเจ้าได้ขี่รถตดใต้น้ำํำ <c oughs> เป็นเหตุเป็นการบิระมาตลอยพระบ่ายพระองค์สมเด็จพระคิดจมานุประศาสนดาข้าพเจ้าขอประธานอภยัยแต่ความจริงเขาจะเป็นขี่รถตดบนน้ำเลยขี่รถตรงไปตดบนน้ำแมเอาไปขี้รถตดตน้ำก็แย่นี่นี่เขาถือกันอย่างนี้ใทายาถามว่าถือแบบนี้ถูกไหมก็ต้องตอบว่าถูกแต่มันถูกไม่หมด ว่าองค์สมเ็จพระบรมสุคตไม่เคยคิดจะโทษใครเึื่องที่ว่าการจองล้างจองผานเจตนาที่จะโทษกับบุคคลไม่มีใครจะถามไม่ทีว่าทำยังไงมันทจะถูกหมดก็ควรจะตอบกันว่าการทำใจถูกหมดคือตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยทั้งสามรายการ คือบูชาความดีของพระพุทธเจ้าจัดเป็นพุ้ทานนุสติกรรมฐานเรานึกไว้นี่ใกล้ก่อนจะถึงวันก็นลอยกระทงแล้วก็ตั้งใจว่ากลางเดืนอนมิถุนาเราจะลอยกระทงก็ตั้งใจลอยกระทงอย่างเดียวไม่มีผลตั้งใจว่าเราจะบูชาความดีก็องค์สมเด็จประทศผลอันนี้มีผลแน่เป็นพูทธานุสติกรรมฐานแล้ว ก, ก็การตั้งใจบูชาสมเด็จพระจิตตมานก็เพราะสายกิจเข้าถึงธรรม เราจะรู้ว่าพระเจ้าดีหรือไม่ดีเพราะธรรมะก็จัดเป็นธรรมานุสติธรรมฐานแล้วตั้งใจบันบูชาพระอัยยสงฆ์ทั้งหลายที่ทรงโลภิญนา น, นำพระศาสนามาเผยแผ่จัดเป็นสังคารนุสติธรมฐานถ้าการทำบุญทุกครั้งจะเป็นวันลอยกระทงก็ดีวันมาฆาดก็ดีตุกสตุตุกสุงกรานก็นดีวันดีสาขาบูชาวันข้าวสาวันสัต มันออกเปสาวันละกระทษตั้งใจว่าอย่างนี้ว่าเราจะบูชาความดีพระองค์สมเด็จพระจี น, รนศรีบรมสารีรัตนพระธรรมและพระเรียส่์ตั้งไว้แค่นี้มันตรงจิตก็ตกอยู่ในเกณฑ์เป็นชายของพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมีกําไรมากในความจริงเมื่อเราคิดบูชา อ, องค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้า แ, แล้วถ้าบูชาแค่การเล็จจัดเป็นานุสติก็ดี หรือบูชาด้วยดอกไม้โทษเพียนเป็นอาไมตรบูชาคุบูชาด้วยของก็ดีแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจินสีทรงสรรเสริญการบูชาอย่างยิ่งขบรนดาธิวัตถบริษัทชายหญิงด้วยการปฏิบัติบูชาในการปฏิบัติบูชานี่องค์สมเด็จพระโรดมัราชันดาทรงสรรเสริญมากเหมือนกันในวันที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าจะเสด็จจากใครก็สู่พระปฏิพัติ ทีระว่างนางรังทั้งคู่เป็นแปลงเดินหกวันนั้นบรรดาเทวดาฤ้ษ์ลมโยกลไฟดอกเชื้อบายใหญ่เท่ากับโดตแต่จก็ด่งหรือก็โล่เต็มเสขตเฮงมือเฮง น, นางรังทั้งคู่ไปทั้งหมดปรากรุพระก็ดีคนบดีจะเดินเข้าไปหากันจะต้องลุยดอกเชื้อบาไปตั้งแต่เขาาลุยเลยเขาก็ลลนนท์ให้ความอัศจรรย์อย่างนั้นยิงกราบทูลองค์สมเด็จเป็สัมมาทิฏฐิเจ้าให้ทรงทราบ พระพุทเจ้าจะมีสรงดว่านันทะดูก่อนอนนุนการบูชาตถาคติสิ่งของจัดแจงมุสบูชาเป็นของดีแต่ละว่าความดีนี้ใจผลแค่กา ม, มาวาจรสวรรค์ด้วยพรมโลกยังดีไม่พอถ้าจะบูชาให้ดีก็ควรเป็นการปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จตุสมมาสมพุทธเจ้าอันนี้ตถาคตสังเสริมมากถือว่าเป็นความดีชันเลิศ ทาววันดาท่านพุทธบริษัทจะบูชาให้เบิกเสดตามประสงค์ขององค์สมเด็จตรวสมรัมมาทิพทย์เจ้าก็ปฏิบัติตามนี้เพื่อหนึ่งสัพพปาประเสกกรกำลังที่ทรงตัดไว้ว่าเราตั้งใจจะ ไ, ไม่ไม่ทําความชั่วทุกประการขึ้นชื่อว่าท้าความชั่วทั้งด้านสิ่งก็ดีทั้งด้านธรรมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราอย่างนี้เป็นการปฏิบัติบูชาที่พระพุทธเจ้าชอบมาก เอาสองกุศรโสภณิษฐานและจะปฏิบัติศีลและทําให้ครบพ้นทุนกประการถ้าสอนสติปัตยโยทวันนางต่างคนต่างจังต่างใจตัดสัมผัสกิเลสให้ขาดเป็นสมุทเทหันอย่างน้อยเป็นปรโสดาบันสิทธิของง่ายๆมืขอไม่ยากประสดาบั น, นี้าปากค้องอย่างน้อยจริงๆเป็นปรโสดาบัญให้ทรงตัวทรงให้มันได้ ถ้าไม่ได้ก็ถือว่ากินขี้หมาแทนข้าวดีกว่าทั่งดอกเตอร์ใช่หไหมเอาถ้าอย่างงั้นอ้อดอกเตอร์จะเป็นดอกตัวแรกเนี่ยเขไม่รเกียจจะไ้ลงเตอร์ที่อย่างที่ก็เป็นเนราะว่าแค่ว่าโซดาบันเราส่งได้ก็ถือว่าเราได้ดีอันดับต้นแต่บุคคลบนใดถ้ากําลังใจส่งความเปประสูติดาบันได้ก็เป็นละหันไม่ยากเพราะว่าเระสูโิดาบันเข้าเคสของพรนิพพาน ถ้ากำลังใจเขาบรรดาเป็นพุทธบริษัททรงความเป็นประโสโดาบันได้ก็ตัดกำลังใจอันดับสูงก็ตัดอภิชาเลยการตัดอภิชาโดยตรงมันไม่มีอะไรมากเพราว่ากร า, ามบาลีมันยากว่ากรรมสายการปฏิบัติให้ได้จริงเป็นของไม่ยากคือมีกำลังใจคิดรังเกียจโลภความโลภไปแย่งเขาโทสะความโกรธเรารังเกียจโมหะความหลงเรารังเกียจ แล้วก็รังเกียจการเกิดเป็นมนุษย์รังเกียจการเกิดเป็นเทวดาและลังเกียจความเป็นผมเรานิยมจุดเดียวคือพระนิพพานคิดว่าถ้าร่างกายนี้มันพังเมื่อไรพระฐานที่สามพระฐานเราไม่ไปคือมนุษย์โลกเทวโลกกับสัมมโลกจุดที่เราจะไปจุดเดียวก็คือพระนิพพานนั้นน่าจะนั่งกลาลังใจแล้วผลกลับมาเพระว่าขึ่นชื่อว่าโลกพระความโลกก็ดีโทสะความโ ก, กมโรก็ดีมโมหะความหลง ก, ก็ดี เชียงทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นศัตรูสําหรับเราเราไม่ต้องการมันทํามันบ่อยๆจิกบ่อยๆอาการมันก็ชินอย่างนี้จะทรงความเป็นระโสดาบันได้ตายเมรัยไฟนิพพานเหมือนั้นเป็นรหารเมื่อขนาดเทียตตายอลาบันรดท่านพุทธบริษัทชน์หลายคะแนนมาธรรมเทศนามาแรงมันก็ยังไม่ก็จะมีมองดูเวลาก็เห็นหมดเวลากอดีเข้าใจแล้วไม่เข้าใจก็เลยเป็นแค่นี้ก็แล้วกัน ในที่สุดจะมธรรมเทศนาเนี่ยธรรมาภาก็ขอตั้งสติญ า, าี่ฐานอ่างคุณบศีาารัตรนไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรันตนะทั้งสามรายการขอจงอวิบาบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านให้มีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาตัรพิธรพรชัยทั้งสี่ประการ มียายุวันน่าสุขาระละปฏิภันธ์ทำใดทีองค์สมเด็จพระ毗ชิตมารบรมศาสัญญาสัมมาทิพย์เจ้ากดีพระอธิย่าทางลกทงหลายก็ดีที่บรรลุแล้วก็าบรรดาสาวกเขาองค์สมเด็จพระุทธเจ้ากีพอยู่ในหาที่นี้วก